นิานไทโชมงามกับเจ้าชายอสูรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองอันไกลโพล้นมีพ่อค้าร่ำรวยและลูกสาวโฉมงามสามนางลูกสาวคนที่สามสวยและฉลาดกว่าลูกสาวอีกสองคนทุกคนเรียกเธอว่าบิวตี้ในทางกลับกันพี่สาวของเธอต่างก็อิจฉาและใจร้ายพวกเขาสนใจเรื่องใช้เงินของพ่ อ, อ, อมากกว่า บิวตี้ฝ่ฝันหาเจ้าชายรูปงามเสมอมาเธอคิด้วยว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงามและอยู่ในปราสาทแสนสวยกับเขาชีวิตของบิวตี้สวยหรูราวกับความฝันวันหนึ่งโชคชะตาของเธอจบลงเพราะพายุร้ายแรงพ่อของเธอสูญเสียเรือทุกลำและเงินทั้งหมดที่มี <S <S มันจบแล้วลูก เราไม่ได้ร่ำรวยอีกต่ อ, อ, อไปแล้วไม่ต้องห่วงค่ะพ่อไม่นานทุกอย่างจะดีขึ้นจะต้องมีทางออกสิคะพ่อคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับหนูหนูดีใจที่มีพ่อคะ่ะไม่นานคนใช้ก็ออกจากบ้านไปเพราะพ่อขาอับจน b ิ a ต t ้เป็นคนดูแลบ้านระหว่างที่สองสาวเอาแต่บ่นที่ต้องอยู่กับความจน บิวตี้วิงวอนขอพระเจ้าให้นำพาความสุขกลับมายัางพ่อของเธอวันหนึ่งพ่อขาได้ข่าวว่าเรือลาหนึ่งของเขาได้แล่นกลับเข้าท่าเรืออ้พ่อมีข่าวดีจะบอกเรือลำหนึ่งของพ่อกลับเข้าท่าเรือแล้วเราจะไม่จนอีกต่อไปอพ่อต้องไปท่าเรือเดี๋ยวนี้ บอกพ่อมาสิว่าอยากได้อะไรกันบ้างหนูอยากได้ชุดกระโปรงใหม่คะ่ะหนูอยากได้เครื่องประดบับลูกอยากได้อะไรล่ะจ๊ะลูกรักหนูแค่อยากให้พ่อกลับบ้านมายอย่างปลอดภัยคะ่ะโอ้น่ารักจังเลยลูกแต่ลูกต้องบอกพ่อว่าอยากจะได้อะไรอืม อ, อะไรดีนะหนูขอกลาบแดงแล้วกันนะคะได้สิลูกรัก พ่อขาออกไปยังท่าเรือด้วยความสุขใจเมื่อเขาไปถึงเรือเขาเห็นเรือจอดอยู่ห่างไกลและพบว่าลูกเรือเอาสินค้าบนเรือไปหมดลำพ่อขาเดินทางกลับบ้านใจสลายสับสนงงงวยพ่อขาเดินทางออกนอกเส้นทางหลงเข้าไปในป่าถือ หิมะตกดังน้ำทะเลทั้งหมดเปลี่ยนเป็นหิมะหมาเดินฝ่ายหิมะที่หนาแน่นไปไม่ได้เขาจึงพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้ไม่ไกลนักเขาเห็นแสงไฟจึงเดินเข้าไปหามีบ้านสูงใหญ่ส ง, ง่างามเมื่อเขาเดินเข้าไปรัวสีทองเปิดออกแปลกนักที่หิมะไม่ตกในบริเวณต้นสม้ม โอ้ที่นี่สวยจังข้าต้องเข้าไปพบราชาแห่งปราศาสนี้สันหน่อยพ่อขาเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่พ่อขารอและมองดูรอบๆ ร, รอให้มีใครเข้ามาแต่ไม่มีใครเลยสวัสดีมีใครอยู่ที่นี่ไหมสวัสดี มีเ ค, ค้กหน้าทานและผลไม้สดวางอยู่บนโต๊ะอาหารอขอกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยขอบคุณเจ้าบ้านทีหลังไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเขาเรีบทานอาหารจนหมดหลังจากกินจนอิ่มเขาขึ้นไปข้างบนเขาเปิดประตูบันแรกและเห็นเตียงสะอาดน่นนอนโอ้คุณพระช่วย ดูเหมือนว่าขาจะโชคดีพอขาลืมตาขึ้นมาเช้าวันใหม่เขาเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่เตรียมไว้พร้อมสำหรับเขาเขาแต่งตัวแล้วลงไปข้างล่างมีอาหารเช้าวางพร้อมอยู่บนโตะ๊ะนมน้ำผลไม้และขนมปังเขากินจนอิ่มจึงลุกขึ้น ดีมี่ใครอยู่ไหมขอบคุณที่ให้พักอาศัยท่านมีน้ำใจนักข้าต้องไปก่อนแล้วขอลาก่อนขณะที่เขาก้าวออกมาเขาเห็นดอกกุหลาบมากมายโอ้ั่นมันดอกกุหลาบแดงนี่ข้าเอาไปให้บิวตี้ดีกว่าเขาเข้าไปในสวนเด็ดดอกกุหลาบโดยเร็ว ขณะที่เขาเด็ดดอกกุหลาบ ม, มีเสียงดังคำรามจากข้างหลังเขาเมื่อเขาหันหลังมามีอสุรกายสูงใหญ่ตาแดงกับฟันและกรงเล็บคมดังมีดยผนออยู่ตรงหน้าของเขาใครบอกใครเก็บกุหลาบของข้าให้หลับดอนใ้บ้านข้ายังไม่พออีกหรือนี่เป็นการตอบแทนข้าหรือยังไงกันข้าจะไม่ปล่อยเจ้าหยาบคายกับข้าเช่นนี้ โอยายาให้อภัยข้าด้วยท่านผู้มีเมตตาข้าเห็นว่าท่านให้อาหารและที่พักในยามทุกอยากจึงไม่คิดว่าท่านจะโกรธเคืองหากข้าเอากุลาไปให้ลูกสาวให้อภัยข้าด้วยเถอะลูกสาวเหรออืมงั้นข้ามีข้อเสนอเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้าอะไรหรือท่านข้าทำได้ทุกอย่างเพื่อท่าน ลูกสาวทั้งสามคงจะรอข้าอยู่อืมลูกสาวสามคนโอเคพาลูกสาวของเจ้าคนหนึ่งมาปราสาสต์นี่ข้าจะกักตัวนางไว้แลกกับอิสระของเจ้าโอ้อออข้าสัญญาข้ารับปากข้าแน่ใจว่าลูกสาวคนใดคนหนึ่งจะต้องมาถ้าอย่างนั้นข้าจะให้มาที่เร็วที่สุดกับเจ้า ด้วยเงื่อนไขว่าข้าจะต้องได้ตัวนางและถ้านางมานางต้องมาอย่างเต็มใจถ้าหากหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มาละก็ข้าจะไปหาเจ้าเองรีบไปแล้วเอาดอกกุหลาบหนึ่งดอกไปให้ลูกเจ้าเขาเรีบตอบตกลงทันทีเพื่อความอยู่รอดแต่เขาไม่คิดว่าลูกสาวของเขาจะตกลงปลงใจมาพรกะขาผู้น่าสงสาร แทบจะเอาชีวิตไม่รอดกลับไปมาวิ่งไปนี่นานก็ถึงบ้านลูกสาวรีบเข้ามาหาเขาพ่อคะเอาขอขวัญมาสิคะของขวัญลูกอยู่ไหนคะพ่อเป็นไงบ้างคะเหนื่อยใช่ไหมคะนี่ที่ลูกขอพ่อไว้ลูกไม่รู้หรอกว่ายากแข่ไหนกว่าจะได้มา เขาเล่าเรื่องเรือและอสูรให้ลูกๆฟังเป็นความผิดของเจ้าแท้ๆบอกให้พ่อเาดอกไม้มาให้ทำไมใช่ถ้าขออะไรให้ดีกว่านี้ก็คงไม่เกิดเรื่องขึ้นถ้าเป็นสาเหตุที่เกิดเรื่องเวลวร้ายข้าจะกลับไปกับพ่อตามที่ท่านได้สัญญาเอาไว้อ้อมิวติลูกลักพ่อขอโทษเฮ้ยข้าน้ำโชคชะตาเลวร้ายมาสู่เจ้าแล้ว เป็นความผิดของข้าเองถ้าควรจะต้องรับผิดชอบบิวตี้ตัดสินใจแน่วแน่เธอให้กำลังใจและปลอบใจพ่อกลับบ้านไปบิวตี้อย่าทำลายชีวิตของตัวเองถ้าจะรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้ขณะที่พวกเขาพูดคุยกันก็ถึงพบคำ่ำป่าสว่างสวัยเรากับทั้งจักรวาลต้อนรับเธออยู่ ทำให้พวกเขาประหลาดใจยิ่งโอ้โหสวยจังเลยเมื่อพวกเขาถึงถนนต้นส้มก็เห็นปราสาทสว่างเจิดจ้าเมื่อเขาถึงห้องโถงก็พบเตาผิงแสนอุ่นและโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารแสนอร่อยพวกเขาหิวโหยหลังจากการเดินทางยาวนานจึงเริ่มทานอาหารแต่ไม่ทันทานอิ่ม ก็ได <G Smash and cookies> ้ย <Metroid> ินเสียงฝีเท้าอสูนเดินเข้ามาใกล้สวัสดีเบลตี้สวัสดีฟาบาเจ้าเต็มใจมาริมไหมเพค่เจ้าจะอยู่ที่นี่เมื่อพ่อเจ้ากลับไปรืไม่เพค่ะกลับไปที่มมาของเจ้าเจ้าจะเห็นมมาอีกตัวกับหีบที่เต็มไปด้วยทอง สำหรับเจ้าและลูกสาวของเจ้าลาก่อนบิวตี้พ่อคงคิดถึงลูกทงหวันเขาจะคิดถึงพ่อมารีบแล่นออกไปและหายลับตาไปทันทีขึ้นไปพักผ่อนข้างบนราตรีสวัสดิ์ราตรีสวรรัสดิ์ บิวตี้เปิดประตูบานแรกและเห็นห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงามเธอนอนลงบนเตียงแล้วหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าเธอเห็นโต๊ะแป้งเต็มไปด้วยสิ่งของที่เธออยากได้เธอเห็นอาหารเที่ยงอยู่ในห้องโถงหลังมื้อเที่ยงเธอนั่งอยู่บนมุมโซฟาแสนสบาย เจ้าศุนร้ายจะขังข้าดั่งนักโทษตลอดไปเหรอข้าจะเป็นอิสระได้ยังไงกันคิดคิดคิดจนเผลอหลับไปเมื่อพบคำ่ำเธอได้ยินเสียงอสูรเข้ามาสวัสดีเบลตีสวัสดีค่ะเจ้ารักข้าไม้มเบลตีเจ้าจะแต่งงานกับข้าไหมฮะบอกว่าใช่หรือไม่ไม่ต้องกลัว เจ้าตอบว่าไม่ราตรีสวัสดิ์บิลตีราตรีสวัสดิ์เธอดีใจที่การปฏิเสธไม่ได้ทำให้เขาโกรธเคืองทุกเย็นหลังอาหาร อสูรมหาเถอและถามก่อนบอกราตรีสวัสดิ์บิวตี้เจ้าจะแต่งงานกับข้าไหมและเมื่อเธอตอบว่าไม่เขากลับไปได้วยความเสียใจ <C ell ate> เมื่อเวลาผ่านไปบิวตี้ไม่กลัวอสูรอีกต่อไปเพราะเขาใจดีกับเธอเสมอ การได้ออกจากปราสาททำให้บิวตี้สุขใจเธอมีความสุขอยู่ในสวนมีทั้งน้ำผพุต้นสรงต้นไม้เธอและนกแม้แต่อสูรก็เล่นเปียนโนให้บิวตี้ฟังและนั่งคุยกับเธอทุกอย่างไปได้สวยจนกระทั่งบิวตี้อยากเจอพ่อและพี่สาวของเธอ เห็นเธอเศร้าหมองอสูรจึงถามเป็นอะไรไปคนสวยเดี๋ยวนี้เจ้าดูเศร้าหมองนักข้าอยากเห็นหน้าพ่อข้ารีบรดให้ข้าไปพบท่านสักหนึ่งอาทิตย์ข้าสัญญาว่าจะกลับมาหาท่านอ๋มิวตีนี่เพราะเจ้าเกลียดข้าจนอยากจะหนีข้าไปไม่ใช่เช่นนั้นข้าไม่ได้เกลียดท่านข้าเสียใจ ที่ข้าจะต้องทิ้งท่านเอาไว้ข้าไม่อาจปฏิเสธสิ่งที่เจ้าขอได้แม้ว่าจะทำให้ข้าต้องตายถ้าเจ้าไม่กลับมาข้าอาจจะไม่รอดอ๋อข้าจะปล่อยให้ท่านเป็นเช่นนั้นได้ยังไงท่านดีกับข้าเสมอเจ้าไม่ต้องใช้รถม้าเดินทางสวมแวนนี่และหลับตาลงไม่ต้องกลัวนะ หลับให้สบายเจ้าจะเห็นพ่อเจ้าเมื่อเจ้าตื่นออเงั้นเหรอขอบคุณขอบคุณมากและเมื่อเจ้าอยากกลับมาถอดแหวนออกจากนิ้วเจ้าเจ้าจะพบว่าตัวเองกลับมาที่ปราสาทนี้ราตรีสวัสดิ์บิวตีข้าจะคิดถึงเจ้ามากราตรีสวัสดิ์ขอบคุณสําหรับความใจดีท่าจำที่เจ้าสัญญาไว้ใช่ใช่ ทันทีที่อสูรออกไปบิวตี้รีบปรับตาลงเช้าวันนุ่งขึ้นเธอพบว่าอยู่ในบ้านของเธอเองพี่สาวของเธอต่างตกใจที่เธอปรากฏตัวพ่อกอดเธอแน่นและร้องไห้ได้วยความดีใจโอ้บิวตี้พ่อเป็นห่วงลูกมากพ่อคิดถึงลูกมากลูกก็คิดถึงพ่อคะ่ะบิวตี้เล่าเรื่องความใจดีของอสูร หลังจากคิดอยู่นานเขาก็ตอบว่าลูกบอกพ่อว่าอสูรรักเจ้ามากสมควรได้รับรักจากเจ้าและตอบแทนสำหรับความอ่อนโยนและใจดีพ่อว่าเจ้าควรตอบแทนเขาด้วยการทำสิ่งที่เขาปรารถนาแม้ว่าเขาจะอับปัญลักหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปบิวตี้ลืมเรื่องกลับไปปราสาทจนคืนหนึ่งเธอฝันว่าอสูรนอนอยู่บนพื้นใกล้ตาย ไม่นะบิวตี้ตื่นกลัวเพราะความฝันคืนนั้นเธอบอกลาพ่อและพี่สาวของเธอเธอถอดแหวนออกทันทีที่เธอนอนลงบนเตียง mm hmm. เธอหลับลงทันที mm hmm. และตื่นขึ้นมาในปราสาทของอสูร mm hmm. เธอรีบไปยังจุดที่ฝันเห็นอสูรกำลังจะตายอาสูรยังอยู่ตรงนั้นไม่ขยับเขยื้อน โอ้พระเจ้าช่วยเขาตายจริงๆเหรอข้าผิดเองที่ทิ้งท่านไว้คนเดียวแต่เมื่อมองเขาอีกครั้งเธอพบว่าเขายังหายใจเธอรีบหาน้ำมาพรมบนใบหน้าของเขาเธอดีใจเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาโอ้ท่านทำให้ข้าใจหายไปหมดเลยข้าไม่รู้เลยว่ารักท่านมากแค่ไหนจนถึงตอนนี้ แต่ที่ข้ากลัวว่าจะช่วยชีวิตท่านไม่ทันเจ้าสามารถรักคนหน้าตาอปปลักเช่นข้าได้จริงเหรอได้สิข้าเห็นท่านมีจิตใจดีและอ่อนโยนข้าไม่ขออะไรไปมากกว่านี้แล้วบิวเต้เจ้าจะแต่งงานกับข้าได้ไหมข้าตกลงข้าตกล่นทันทีที่บิวเต้ตอบรับแสงปกคลุมตัวอสูรแล้วลอยขึ้นไปในท้องฟ้า แล้วกลับลงมากลายเป็นเจ้าชายรูมงามโอ้คุณพระช่วยท่านคือเจ้าชายในฝันของข้าข่าฝันถึงท่านมาตลอดอ้อบิวตี้บิวตี้ที่รักของข้าขอบคุณที่ปลดปล่อยข้าจากคำสาปชั่วร้ายแม่มดที่ค่าๆาตอนต่อสู้ได้สาปข้าเอาไว้ตอนนางใกล้าตาย นางสาบไม่ให้ใครรักข้าและทาให้ข้ากลายเป็นอสุรกายอัปปหลกแต่เจ้าปลดปล่อยข้าจากคำสาบด้วยรักแท้อ้อ่าไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ข้าฝันไปหรือเปล่าอสรหยิกเธอเบาๆอคอข้าไม่ได้ฝันไปท่านคือเจ้าชายจริงๆคือรักแท้ของข้า่าเราไม่ควรดีรออีกต่อไป ไปที่บ้านเจ้าและบอกให้ครอบครัวเจ้าเตรียมตัวเต้นรำในงานแต่งของเรา <c oughs> เธอไม่รีรอ <c oughs> วันต่อมาพวกเขาได้ฉลองงานแต่งงานอย่างงดงามที่สุดในที่สุดความดีก็ชนะใจเธอได้บิวตี้ไม่ใช่แค่ความสวยเท่านั้นมันหมายถึงจิตใจที่งดงามหัวใจที่งดงามและที่สำคัญวิญญาณที่งดงาม บิวตี้และเจ้าชายอยู่ด้วยกันยังมีความสุขตลอดกาล